พระธรรมเทศนาแผ่นที่110ลำดับที่16โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่15เมษายน2560มีชื่อเรื่องว่าเกิดในแผ่นดินดีอย่าไฝ่หาสิ่งไม่ดีต่อในไปตั้งใจฟังหลวงพ่อหลวงตาจะพูดอะไรให้ ลูกหลานได้ฟังไปจำวันพอลูกหลานเข้ามาสู่วัดวาสศาสนานอกจากมาทาบุญตักบาตรมาทาทานแล้วน ะ, ะควรจะได้ฟังอัดฟังธรรมเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของพวกเราอีกอะระดับหนึ่งแต่การที่จะพูดจะกล่าว อะไรให้คณะจทธาญาติโยมลูกหลานได้ฟังก็หลวงพ่อเองก็จะหยิบยกพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือแนวความคิดของหลวงพ่อเองเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนลูกหลานที่เข้ามาสู่วัดวาศาสนานะวันนี้เป็นวันที่สิบห้าเมษายนพุทธศักราช2560 เป็นที่รู้กันวันที่13ที่ผ่านมาเป็นวันปีใหม่ไทยนะและก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ยังหยุดยังหยุดราชการนะแล้วไปยังหยุดให้พี่น้องประชาชนกลับมาเยี่ยมบ้านทางรัฐบาลเขาทางบริษัทห้างร้านต่างๆเขาเปิดโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนกลับมาเยี่ยมเยียนบ้านทําประโยชน์ ที่ควรจะมีปีหนึ่งที่พวกเราได้รับรู้รับท ร, ราบกันก็คือวันปีใหม่สากรคือวันที่หนึ่งมกราทุกปีและก็วันที่13าเมษาเป็นวันที่ทางรัฐการหรือว่าบริษัททางร้านเป็นที่รู้กันเปิดให้พี่น้องประชาชนกลับมาเยี่ยมเยียนบ้าน แต่วันนี้ผมพ่อถามไทยนะหลวงพ่อเป็นห่วงเหมือนกันนะผมพ่ออยู่ป่าดงพงไพรอย่างนี้ก็เป็นห่วงเพราะแต่ละปีข่าวข่าวในประเทศชาติบ้านเมืองว่าปีนี้วันนี้เท่านี้คนตายเท่าไหร่ในประเทศในช่วงเทศกาลปีใหม่สงกรานต์อันนี้หลวงพ่อก็ทราบติดตามอยู่แต่เมื่อกี้นี่กับหลวงพ่อเอง ท่านผู้กํากับอําเภอนาอยุงของเราเนี่ยนะเหตุที่มาวัดทุกวันเอเพราะว่าอท่านนี่แหละหลวงพ่อก็ถามว่าเออท่านผู้กํากับออุดรของเรามีคนตายไหมบอกว่าตายสามคนพึ่งทราบวันเนี้ยอ่แต่ขณะนี้เราก็ไม่ทราบแล้วแต่เขาให้ข่าวมาแจ้งบทอุดรตายสามคนแล้วก็เจ็บ เข้าโรงพยาบาลเจ็บประสบอุัติเหตุเจ็บประมาณ4 0 0คนนี่หลวงพ่อได้เย็นกับหลวงพ่อก็คิดอีกเหมือนกันน่นะพอเหตุเพราะเหตุรเพราะเราอยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่ทั่วประเทศละ่ะทั่วประเทศจะเท่าไหร่เพราะแต่ละปีเนี่ยก็ประมาณ300กว่าเกือบ400ร้อยนะคนตายก็ว่ามากพ็จงควรอยู่ตายในเหตุที่ไม่ควรจะตายคือตายเพราะขาดดื่มชุรา โดยโดยมากเมาเมาเนี่ยเป็นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้คนตายแล้วก็การขับรถพอเมาแล้วก็ขับรถเป ย, ย์ซ้ายเปยขวาเปยหน้าเปหลังขาดความรับผิดชอบเพอคนขาดสติถ้าคนขาดสติแล้วขาดความรับผิดชอบในชีวิตทรัพย์สินรับผิดชอบทั้งกฎหมายบ้านเมืองรับผิดชอบ ทั้งหมดอะะไม่ได้รับผิดชอบพ่อแม่ปูย่ย่าตายายวงศาคณาญาติญาติพิษสหายเจ้าฟ้ามหาการศัตว์ศาสนาศาสนาพระมหากษัตริย์ขาดความรับผิดชอบทั้งหมดเพราะคนเมาคนเมาของเมื่อคนเป็นบ้านะแต่คนเป็นบ้าแล้วจะรับผิดชอบอะไรได้เพราะคนขาดสตินะในเมื่อคนขาดสติแล้วทำความอะไรได้หลายๆอย่างเพราะนั้นเรื่องเก็บใครได้ป่วยหรือว่าการตายของ คนแต่และวันที่หนึ่งแล้ววันที่ส3บสามเนี่ยหลวงพ่อก็ยังบางคิดอยู่ว่าถ้าผู้ตายไปกับพี่น้องลูกเมียพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือผู้เกี่ยวข้องคงจะเสียอกเสียใจบางคนก็ไม่น่าจะตายลูกหลานยังกำบังวัยเรียนวัยศึกษาก็เสียอกเสียใจไปตามๆกันเพราะคนเมาดื่มสุรา มาเฉียวมาชนแล้วก็พร้อมกันกับคนที่เจ็บปุกประสบอุบัติเหตุบางทีหัวนอกเพิร์ดพอฟื้นขึ้นมาก็นะเป็นประสาทโตโตเตเตทำอะไรก็ไม่ปกติาบางคนก็ขาหักแขนหัก ข, า, ขาด่วนแขนด่วนาตาบอดอหลายหลาอย่างพอประสบอุบัติเหตุรับประกันไม่ะไรมันจะ ลงไปขนาดไหนยังไง อ, อพร้อมที่จะเป็นได้ทุกอย่างแต่เมื่อผลออกมาแล้วก็นั่นอ่ะมันเป็นภาระใครล่ะท่านเป็นภาระของครอบครัวอันดับแรกก็คือทกใจตนเองนะ่ะขาขาดล่ะจากนั้นก็เป็นพระภาระของพ่อของแม่เป็นภาระของครอบครัวเป็นภาระของออผู้อยู่ใกล้ชิดออนอกจากนั้นมาเนี่ย เมื่อพ่อแม่แก่เท่าตายไปถ้าอยู่ตัวเองอยู่กับพ่อแม่แลวทำยังไงเป็นภาระของผีน้องลูกหลานอาแล้วก็เป็นภาระของประเทศชาติบ้านเมืองจ่ายเงินจ่ายเงินให้คนพิการอานี่แหละมันเป็นภาระไปทั้งหมดมันเกี่ยวพันกันไปทั้งหมดเพราะนั้นพวกเราทุกคนลูกหลานทุกคน หลวงพ่อพูดแล้วบอกให้ระวังเน้อลูกหลานเน้ออย่าไปเห็นแก่การสนุกสนานเพลิดเพลินถ้าว่าพวกเราปล่อยประละเลยเพลิดเพลิน อ, อถ้าผลตามมาล่ะมันเป็นทุกข์ใจของตนเองนะให้ระมัดระวังเน้อถ้าจุดไหนที่เป็นจะเป็นอันตรายเราก็ไม่ควรจะเข้าไปยุ่งไปเกี่ยวควรจะอยู่ห่างหางไม่มีใครรักชีวิตของเรายิ่งกว่าตัวของเราถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นแล้วนะ เราจะทุกถึงวันตายฮะแต่ถ้ามันสุดวิสัยเราก็ไม่ว่ากันถ้ามันไม่สุดวิสัยพอหลีกเลี่ยงได้อยู่กรรมปัจจุบันคือปัจจุบันนกรรมเราพอจะหลีกเลี่ยงได้ก็ต้องหลีกเลี่ยงถ้ามันสุดวิสัยแล้วก็เอือไม่ว่ากันใครๆก็ยอมรับกันแต่เพราะว่าเดินทางพอเดินทางไปรถประสบอุบัเทตเป็นปเหตุเพราะอะไรโชเฟอร์เขาก็ลังได้เมา แต่ว่ามันเบรกแตกยางแตกเรื่ออะไรลักษณะอย่างนั้นอันนั้นก็ควรจะทำยังไงได้เออคงจะเป็นกรรมเก่าคงจะทิ้งไปอย่างนั้นก็ได้แต่ถึงยังไงก็เออเอาแสดงว่าเจ้าของรถไม่ดูแลรถให้ดีมีอาจจะปัจจุบันกรรมก็ได้หรือาอาดีตกรรมก็ได้บอกปนวกกันสิ่งเหล่านี้แหละให้ลูกหลานทั้งหลายช่วยช่วยกันคิดนะแต่ปีนี้คิดไม่ได้กับปีปีต่อไป ปีต่อไปควรจะคิดนะหลวงพ่อว่านะแต่หลวงพ่อก็ให้แนวความคิดทางรัฐบาลเหมือนกันนะอทางรัฐบาลถ้าเห็นว่าไม่แหง น, นั่งรถกระบะทางหลังเนี่ยแต่หลวงพ่อว่าอันนั้นก็มีส่วนอแต่เรามองปลายแถวนะแต่ถ้าต้นแถวจริงๆน่ยคือการเมาส์ถ้าว่าห้ามไม่ให้ขายสุราเนี่ยได้ไหมแต่ประก็ขาดรายได้ของ ผู้ที่เขาทํากิจการงานในเรื่องนั้นแต่เอาเถอะนะหลวงพ่อว่าถ้าวารัฐบาลรักประชาชนจริงน่ยประชาชนตายกี่ร้อยคนป่าสามสี่ร้อยคน่ะเอาคิดว่าคนหัวละล้านก็นแล้วกันใจ่ายให้หัวละล้านนะ เ, าเราก็เอาเงินจํานวนนั้นแหะไปให้ไปเป็นค่าใช้จ่ายเอจะไปขายเหล้านะั้นในใ น, ในระยะเจ็ดวันทดแทนให้อย่าไปขายเหล้า่ะ ทั่วประเทศตาผู้ใดขายเหล้าถ้าผู้ใดสต๊อกเหล้าไวแต่เขาไม่ได้ขายแต่ตัวเองสต๊อกไว้เราตรงอําเภอนายุงเอแต่ละอําเภอเนี่ยทำโกดังไว้เลยอขังคนประเภทนี้เนี่ยจับเข้ามาขังไว้ขังไว้ขังไว้ไวจักเจ็ดวันยังค่อยปล่อยปปล่อยไปอหลวงพ่อวันคงจะลดอ ประสบอุบัติเหตุหลงได้บ้างมั่งหลงพ่อว่าอันนี้เป็นแนวความคิดหลงพ่อนะ <c oughs> แต่ว่าถึงแต่ว่าถึงยังไงก็เนี่ยแหละเป็นแนวความคิดนะเออแต่พวกเราเอาไปคิดประสานผสมไม่ให้มันกระทบกระเทือนอกันนั่นแหละดีที่สุดนะอืมแต่หลงพ่อเนาะมันสาเหตุเป็นเพราะจุดนั้นนะเนี่ยแหละขอให้พวกเราจัตวาญาติโยมลูกหลานนะเออ สิ่งไหนก็ตามมันมีเหตุซะก่อนมันค่อยมีผลเราต้องค้นหาเหตุมันทําไมเหตุมันมาอย่างนี้ผลมันออกอย่างนี้เพราะมันมามาจากอะไรมันมต้องมีเหตุซะก่อนมันต้องมีผลเพราะฉะนั้นเราจะไปมองแต่ผลมันเป็นอย่างนี้เพราะอันนี้เพราะอะไรนอมันมองแต่ผลมันไม่ได้มองเหตุถ้ามองเหตุเราจะรู้ได้ว่าสาเหตุของมันเป็นอย่างนี้ ถ้าาเหตุมันเป็นอย่างนี้ผลมันเป็นอย่างนี้มันมาจากสาเหตุนั้นถ้าพวกเราค้นหาสาเหตุที่แท้จริงได้แล้วนะเราจะแก้จุดนั้นสรุปแล้วก็คือคนโบราณเขาว่าเกาถูกที่คันนะมันจะหายคันนะไม่ใช่ว่าคันศีรษะไปเกาฝ่าเท้าลักษณะอย่างนั้นนะอมันก็ไม่หายคันศีรษะเลทีเพราะอะไรเพราะเกาไม่ถูกที่คันนะนี่ก็เหมือนกันนั่นแหะ ขอให้พวกเราทุกๆท่านนะคณะทัดทาญาติโยมทุกคนนะเกิดมาทั้งทีชีวิตได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาศาสนาเหตุผลนะลูกหลานนะศาสนาเหตุผลกรรมคือการกระทําถ้าเราทําดีแล้วจะชั่วได้ยังไงถ้าเราทําชั่วแล้วจะดีได้ยังไงถ้าเราขี้เกียจแล้วจะรวยได้ยังไง ถ้าเราโง่แล้วขี้เกียจด้วยนละจะรวยได้ยังไงเหเว้นเสียแต่เราเกิดในตระกูลกูลพ่อแม่ถึงจะเกิดตระกูลรวยกนะ็เถอะนะอ่ทางโง่แล้วขี้เกียจด้วยนะเนี่ยใช้สชว์รุยโชวลัยด้วยกระจิบหายได้อีกเหมือนกันนะะั่นแหละเพราะอะไรผู้ที่จะดําลงชีพอยู่ด้วยความผาสุกได้อต้องมีสติต้องมีปัญญาอา ต้องมีสัมมาทิฏฐินความเห็นชอบเหมือนละ่ะที่เห็นผิดอีกเหมือนถ้ามีปัญญาเห็นผิดนะก็ไปทางใหม่อีกเหมือนกันนะทําให้ตัวเองคนอื่นเดือดร้อนตัวเองจิบหายอีกเหมือนกันเอถึงจะไม่หิตจิบหายในช่วงนี้ก็จิบหายในครั้งต่อไปเพราะอะไรเพราะเป็นมิจฉา ท, ทิฏฐนะิคือความเห็นผิดเมื่อเห็นผิดแล้วก็การพูดก็ผิดการทําก็ผิดเพราะมันผิดอถ้าเราคิดถูกแล้ว สัมมาทิฏฐิแล้วคิดถูกแล้วทำไปก็ถูกพูดไปก็ถูกเพราะอะไรเพราะจิตใจเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยแหละโลกทำไ ม, ไมทุกวันนี้โลกยุคนี้สมัยนี้นะอพวกเราท่านทั้งหลายเนะี่ยหืมพำมพึมพำกันาบางคนก็กลัวนะเขามาถามหลวงพ่อเหมือนกันเมื่อวานหลวงพ่อก็พูดไปแล้วละ่ะอบอกว่าหลวงพ่อมันจะเกิดสงครามโลกหรือเปล่าเนะี่ยทำไมมันเป็นอย่างนี้นะ หลวงพ่อว่าถ้าอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะเพราะอยู่ในโลกแล้วอะไรมันจะดับมันก็ต้องดับอะไรมันจะมีมันก็ต้องมีแต่ชอ่อดชอสําคัญให้เราทําดีที่สดุดะเราเนี่ยทำดีเราอยู่ในสถา น, นะไหนเราจะไปเกี่ยวข้องเราจะไปทุกข์ถ้าไปทุกข์ไปแล้วเขายังไม่ได้ลบกันในะตัวเองเป็นประสาทกลัวเอตายกอดนะเพราะนั้น เราอย่าเป็นอย่างนั้นเราเป็นพุทธเราต้องคิดไว้อยู่เสมอว่าอะไรจะเกิดมันต้องเกิดถึงเขาจะไม่เกิดท่องคามเราก็จะตายอยู่แล้วไม่มีใครที่จะหลีกเลี่หนีพ้นไปได้มรณะภัยแต่ก่อนที่จะตายนั่นนะเรามีคุณงามความดีเพียงพอหรื อ, อยังถ้าเราไม่มีความดีของเรายัางไม่เพียงพอนะควรจะประกอบคุณงามความดีเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเรานั่นแหะเลิศประเสริฐที่สุดนะ แต่สิ่งที่อื่นเขาจะตีกันยังไงเขาจะต่อยกันยังไงเขาจะฟา่ฆ่าฟันลันแทงเขายังไงเท่าอยู่ไกลเราก็ไม่ไม่รู้จะทํำยังไงถ้าเราอยู่ใกล้เขาเออเอาห้ามปามเขาได้อย่าไปทนะําเนอะไปทํากันมันได้ยังไงไปตีไปต่อยกันได้ยังไงไม่ใช่ว่าเราอยู่ใกล้เขาพอเขาจะทะเลาะกันไลยยิงค้อนยืนค้อนยืนไม้ ย, นม ย, ยืนอาวุธจัตราอาวุธให้เขาเอาห้ากันเลย เราก็ไม่ควรจะทำอย่างนั้นอีกเหมือนกันเราควรจะห้ามปลามออพอเหตุไรเพราะว่าการทำลงอะไรลงไปนะมันก็เสียหาย เ, เสียหายทั้งสองฝนะ่ายนั่นแะเหมือนสาดน้ำใส่กันนะไม่เปียกมากก็ต้องเปียกน้อยออแต่ไม่ใช่เปียกแต่สองคนเนทะ่านั้นมันเปียกทั้งวงศาคณาญาติเปียกไปทั้งโลกนะ อ, อ, อย่างพวกเราหลวงพ่อเนะี่ยก็ไม่เคยเห็นสงครามโลกนะสงครามโลกครั้งที่สองนะหลวงพ่อ สงครามหยุดพอดีพอดีปีแปดแปดนะหลวงพ่อก็เกิดปีนั้นเอคงพ่อเขาคงจะเป็นอะไรเป็นภูมิเป็นภพภูมิอะไรก็ไม่ทราบนะมองมองดูอยู่พอสงครามหยุดแล้วหลวงพ่อก็มาเกิดเนี่ยถ้ามาเกิดในสมัย ส, ยสงครามก็คงโอ้ไม่ใช่ธรรมดาแลอวพ่อแม่ก็คงจะหอบหิ้วลูกหนีเอาสงครามแต่พ่อ ใหญ่ขึ้นมาพอได้ศึกษาว่ามันเป็นยังไงในยุคสมัยนั้สมัยนั้นโยมพ่อโยมแม่พี่ป้าน้าอาเขาก็เล่าเล่าให้ฟังโอกร้ากลัวนะแต่มันอดอยากจริงจริงขนาดที่จะเอาได้มาเย็บผ้าก็ยังไม่มีเลยเข็มอะไรก็ยังไม่มีมีเหล็กขึ้นมาเท่าไหร่ก็มาฝนแล้วก็มาเจาะเป็นรูแล้วก็เอาก้านจัปรดเนี่ยนะทำเป็น ทําเป็นเป็นฝ้ายเป็นได้นะมาเย็บผ้ามาชนผ้ามาปะผ้านะีถึงขนาดนั้นแหละมันความอดอยาก เ, เพราะอะไรเพราะมันมันมีมันไม่มีครูบาอาจารย์รุ่นนั้นนะ่เอลุงเราก็เห็นนะรุ่น อ, อครูบาอาจารย์ที่ท่านอยู่ในศึกสงครามสมัยนั้นนะ่ะเออผ้าจีวรของท่านนะมีแต่ผ้าฝ้ายใช่ไหมล่ะผ้าฝ้นายนเนๆนะ่ะาะ ชาวบ้านก็ทอก็อต่่ําอำจากท่านก็นมาถวายพระเวลาท่านคลองผ้าเนี่ยลูกบวชตัว น, นี้เลยมันไม่บางอย่างนี้ถ้ลูกหลานมันท่วมหูแล้วนะมันผ้ามันหนาใช่ไหมพันกับลูกบวชเท่าเท่าแข่งเนี่ยเหมื้นกันเถอะเผื่อๆมันผ้ามันหนาพันพันเขา้าขมาพาด ข, ข, าา ข, ขึ้นบ่าเนี่ยอผ้าเนั่ยลูกบวชเพียงหูเหมืนกันเนียยังเห็นรูปภาพรูปถ่ายของครูบาอาจารย์รุ่นนั้นเดี๋ยวหลวงพ่อ ออย่าได้เกิดได้มีเถอสงครามเลยนะอืมแต่ว่าปรารถนาเช่นไรอย่าให้ได้พบไปเจออคนทะเลาะกันเกิดจึกสงครามะแต่ทิ้งยังไงก็เถอะนะเขาคงจะไม่กระหึมกระหึมใส่กันเอเหมือนกับควายนี่จะมั้งเอถ้าควายไปเห็นควายเนี่ะถ้ามันไม่ลงกันมันก็ขึงตะแคงเขาใส่กันนะเอแล้วก็สะบัดไปสะบัดมาแล้วก็คงจะถอยกันละมั้ง ก็คงคงจะไม่กล้าชนกันถ้าชนกันมันก็เจ็บเลยสิเอเจ็บแน่นอนละอไม่มากก็น้อยล่ะไม่ข้างใดก็ต้องข้างหนึ่งอแต่จะให้ไม่ให้เจ็บเลยมันคงไม่ได้นี่คงเหมือนกันนั่นแหละโลกทั้งโลกอมันเป็นอยู่งั้นมันจะชนก็นจะทํำยังไงเราอยู่อยู่ข้างนอกใช่ไหมแต่จะยังไงก็พี่มีจะส่งเมตตาเข้าไปเทนั้นนะเอเออให้ทะเลาะอย่าทะเลาะกันเนอะให้จิตใจอ่อนเนอะ ให้มีเมตตาต่อกันเนอ้ออยู่ด้วยกันด้วยความผาสุขอย่าให้มีเวรมีกรรมต่อกันการทำอย่างนั้นไม่ดีหรอกมันเดือดร้อนอมันทำให้โลกทั้งโลกเดือดร้อนวุ่นวายเกิดมาพบเกิดมาในภพนิชานที่ขอจะได้เจอได้พบเนอ้อสงฆามผู้ใดคิดผิดจะทำให้คิดถูกซ ะ, ะถ้าผู้ดใดเป็นมิจฉาทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐิให้เห็นมีความพ้องต้องกันจ้ะ อย่าไปเห็นสิ่งที่เป็นอปมงคลนะเป็นถือว่าเป็นมงคละ่ะถือว่าการฆ่าฟันลันแทงกัน เ, เป็นศัก์เป็นสีอันนั้นอย่าได้มีในยุคของข้าพระเจ้าเกิดเนอร์มีแต่คิดอย่างนั้นนะมีแต่แผ่เมตตานะแต่เราจะทำยังไงได้ละ่ะเมื่อเขาจะต่อยตีกั น, น เ, เราก็มีแต่ทหารที่หลบที่ซ่อนนั่นเนน <c oughs> องล่ะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเรานะ ถึงอย่างไงก็าตามนะเราเกิดมาในโลกนี่นะสรุปแล้วก็คือให้ประกอบคุณงามความดีให้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจอถ้ามึงคนมีบุญมีกุศลนันะนะ่นน่ะภาวนาเข้าไปลนะ่ะขอให้ข้าพเจ้าจะได้มาเกิดเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้เองเนะี่ยอย่างที่พระพุทธเจ้าพระหานตสาวกนะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้ามาเกิดอีกไม่พบใครก็ต้องชาติหนึ่งแหละต้องเจอ อ, อพวกเราเนี่ยนับว่าโชคดีนะมาเกิดในยุคนี้สมัยนี้ถ้าเกิดในสงครามพม่ากรุงศรีเอลิุตยาคราวนั้นแหะพวกเราจะคิดยังไงใ อ, อ้เขาเกณฑ์ทหารเข้าไปแล้วไปยกดาบยกหอกข่าฟันรันแทงกันไม่มีใครถอยใครถ้าเราถอยเขาก็ไม่ได้เขาจะฮุบประเทศเนะลยเราก็ต้องสู้นะโอ้ถ้ามาคิดดูรูแล้วก็นับว่า พวกเราเป็นผู้มีบุญนะเป็นผู้โชคดีเกิดในช่วงที่ปฏิรูประเทสวาสโซจะปุเพจักระตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปณิธิพวกเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยพอบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เป็นผู้ทรงคุณธรรมและก็ บ, บ้านประเทศชาติบ้านเมืองของเราก็ไม่อดอยากฟ้าฝนก็ข้าวน้ำโภชนะอาหารก็ ไม่เดือดร้อนน ะ, ะถึงจะอดเงินบ้างเงินขาดกระเป๋าบ้างแต่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอย่างอื่นเราก็พอเป็นพอไปกน็นว่าเป็นผู้มีบุญเกิดมาในประเทศที่ปฏิรูประเทศสว่าโซจา่าปุบเพจักตะปุญญาตาเออพวกเราก็คงจะได้ทําบุญไว้ในอดีตชาตินะปุบเพก็ปุบเ พ, ป, เพปุเพจักตะปุญญาตาได้ทําบุญไว้ในอดีตชาตินะ อย่างชาตินี้แหละเราก็ปาถนาอิสาทูเนอร์ผู้ค่าเกิดในภพหน้าชาติหน้าอย่างไม่พ้นทุกในวัฏสงสารก็ขอให้พบพระพุทธศาสนาพบบัณฑิตนักปราชญ์พบคนดีอย่าได้มีศึกสงครามขอว่าอดอยากเข้ายากหมากแพงตินฟ้าอากาศอย่าได้พบได้ผ่านในข้าพเจ้าเกิดในภพภูมินั้น อันนี้ก็คือความปรารถนาของเราเพราะฉะนั้นเรามาเกิดแล้วสีนปะปุเพจากกระตปุญจิตามาเกิดได้พื้นแผ่นดินไทยในช่วงนี้ขณะนี้แหละนว่าเป็นผู้โชคดีอัตตะซัมมาปณิธินเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วสินีะได้เกิดตามที่บุบปกรรมบุปชาตส่งมาเกิดแล้วนะ อ, อแต่เมื่อเกิดแล้วบางคนก็เนี่ยแหละกินเหล้ า, ม า, าเมาญาต อ, อใช้ชีวิตไปในทางที่ไม่ถูกต้องยอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าสงกรานอย่างเนี้ย น, นะ เ อ, อทําให้เสียหายแปลว่าชีวิตของตนเองเปล่าประโยชน์เพราะเหตุไรเพราะไม่ได้ตั้งตนไว้ชอบนะเมื่อเราเกิดมาได้พบพุทธศาสนาได้อยู่ในประเทศอย่างนี้แล้วเราควรจะตั้งตนไว้ชอบสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าทําอย่าพูดในสิ่งที่มันไม่ดีนั้นดีรู้ไหมดีชั่วดูไม่ชั่ว อ, อถ้าเราไม่รู้จากดีแล้วไม่ไม่รู้จักชั่วแล้วก็ไม่รู้จากแยกแยะจงไงใช่ไหมเออ แต่เราศึกษาในธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเราเราควรจะรู้ว่าดีหรือชั่วเป็นอย่างไรในเมื่อเรารู้ดีรู้ชั่วแล้วกันนะอัตตะสมมาปณิธิเราก็ตั้งตนไว้ชอบแล้วจะเมื่อตั้งตนไว้ชอบคิดดีคิดชอบมอทําก็ชอบพูดก็ชอบนะมีแต่ความเจริญนะคณะทา ญ, ญาทโยมลูกหลานนะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองถือว่าพวกเราท่านทั้งหลายเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยนะ เ, เป็น ปฏิรูปรเทสวาโซจ่านะ่ะเป็นประเทศที่ไม่เดือดไม่ร้อนประเทศหนึ่งในโลกนะปะเุเพจากระตปุญญาตาพวกเราคงจะได้ทำบุญไว้ในอดีตตั้งกิจอธิธีฐานจะมานเกิดในเมืองไทยในเมื่อมาเกิดแล้วควรพวกเราควรตั้งตนไว้ชอบนะถ้าว่าตั้งตนไว้ไม่ชอบนะทำคิดชั่วทำชั่วเข้าไปแล้วนะ่ะ ออกจากชาตินี้แล้วอาจจะไม่มาเกิดไม่ได้มาเกิดในเมืองไทยแล้วทีนี้นะอาจจะไปเกิดแถวแถวเนี่ยแถวออฟริกาแถวตัวดำดำท้องโตโตขาเหลีบเหบนั่นแหละอาจจะไปเกิดในกลุ่มนั้นเพราะอะไรเพราะพวกเราตั้งตนไว้ไม่ชอบนะถ้าพวกเราประกอบคุณงามคุณดีตั้งตนไว้ชอบอยู่นะเกิดพบนายชาติเนี่ยทําไมพ้นทุกชาตินี้ไม่พ้นทุกยังมีกิเลสอยู่ เราก็คงจะมาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยอีกนะนี่แหละให้พวกเราตั้งตนไว้ชอบนะคณะสัท ธ, ธาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะต่อนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพรนัตีหน้านะ